พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามข้อที่ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตานั้นเป็นหลักธรรมดาที่ดํารงคงอยู่อย่างนี้เป็นนิดไม่วิปริตแปร่พันเป็นอื่นเลยตถาคตได้ตรัสรู้เรื่องนี้อย่างแจ่มแจ้งได้อย่างรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดี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 กลับปรากฏว่าไม่ถูกเช่นครั้งหนึ่งเคยเข้าใจกันว่าธาตุแท้จะแยกต่อไปอีกไม่ได้ถือว่าเป็นที่สุดแห่งความจริงในทางสะสารและคุณสมบัติของสาสารนั้นก็ถือว่าเป็นที่สุดแห่งความจริงซึ่งจะเปลี่ยนแปลงหรือล้มละลายหายสูญไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ในวงการของนักวิทยาศาสตร์ไม่ถือเช่นนี้แล้วเพราะปรากฏความจริง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 ขึ้นชื่อว่าสังขารคือสิ่งที่เกิดมาจากปัจจัยหลายอย่างมารวมกันหรือเรียกง่ายๆว่าของผสมหรือ compound สิ่งสังขารหรือของผสมนั้นมีที่ไหนบ้างที่เป็นของเที่ยงไม่เปลี่ยนแปลงเลยธาตุแท้ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธาตุอื่นหรือสลายตัวเป็นพลังงานก็ได้ไม่ว่าจะในการไหน สังขารจะต้องไม่เที่ยงเสมอนี่เป็นความจริงแท้ที่ไม่วิปริตแปรพันเป็นอื่นเลยเป็นความจริงที่สิ้นสุดลงแล้วเป็นความจริงที่คงอยู่ชัว่วนิรันด์เราเรียกได้ว่าความหมายอันนี้เป็นสัจธรรมข้อที่ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาก็เช่นเดียวกัน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 ต้องถูกปัจจัยที่เป็นค่าศึกคอยทำลายหรือเบียดเบียนอยู่เรื่อยๆอาการที่คอยถูกทำลายหรือถูกเบียดเบียนนี่หละเรียกว่าความเป็นทุกข์ของสังขารทั้งปวงคําว่าเป็นทุกข์ในที่นี้ไม่ได้หมายแต่เพียงว่าไม่สบายเจ็บปวดได้รับความทุกข์เขเวทนาเท่านั้นคาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์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 ธรรมในที่นี้แปล ว, ว่าสิ่งทั้งหลายคือหมายถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมความหมายคำบัญญัติทฤษฎีต่างต่างหลักเกณฑ์ต่างต่างคุณสมบัติของสิ่งต่างต่างหลักธรรมดากฎธรรมชาติทั้งหมดรวมเรียกว่าเป็นธรรมทั้งสิน้นฉะนั้นคำว่าธรรมในที่นี้มีความหมายกว้างขวางยิ่งนัก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 ย่อมมีความสัมพันธ์กับหลักธรรมดาอื่นๆเช่นกฎแห่งอนิจจังมีความสัมพันธ์กับกฎแห่งทุกขังและอนัตตาถ้าสิ่งทั้งปวงไม่เป็นอนัตตาสิ่งทั้งปวงก็จะเป็นอนิจจังทุกขังไม่ได้เลยเป็นอันขาดเราพูดว่ากฎทั้งหลายย่อมมาจากกฎอื่นๆดังนั้นกฎทั้งหลายต้องเปลี่ยนแปลงได้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 ภิกษุทั้งหลายภิกษุที่เป็นเศคะคือพระอริยะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปยังไม่บรรลุอรหัตผลภิกษุที่เป็นเศคะยังประทนาความปลอดโปร่งจากกิเลสครันรู้จักนิพพานโดยความเป็นนิพพานคือรู้ว่านิพพานที่แท้จริงเป็นอย่างไรแล้วก็อย่าสำคัญหมายซึ่งนิพพานอย่าสำคัญหมายในนิพพาน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 ที่เปลี่ยนแปลงได้ตามยุคตามสมัย